To depend on one mind นักพีโรเกลและหัวหน้าความรับไม่มีในโลกใจนึกอะไรใจก็รู้ตัดใจอยู่มันไม่มีที่รับ No secret in the world นักพีโรเกลและหัวหน้าอีกอย่างทาริสเซอ no secret in the world because what we think we know พุทธทำสงก็สงอยู่ที่ใจผู้ถือผีก็ผีอยู่ที่ใจผู้ถือผู้พุทธพรทำพอสงพอพุทธพรทำพอสงก็อยู่ที่ใจ มุด่ารรมาสร้างกัรอินด our mind ทเรไปอนเดกูดไล่ความดีไล่ความชั่วออกก็คือไล่ออกจากใจจะไล่ออกจากที่อื่นมันไม่ออก good or bad from our heart สร้างความดีก็สร้างลงที่ใจจะไปสร้างในที่อื่นมันก็ไม่รับเหตุผลด้วย good from our t ถูกไหม ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่นีถ้าเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสานาเราไปยิงนกเขาเนี่ยระระเบิดขึ้นนี่แล้วเนี่ยเป็นโรคหัวใจระเบิดขึ้นเรายิงตั้งแต่อายุสิบห้าปีพอถึงสอง0ันห้าร้อยสามสิบก็ระเบิดขึ้นนี่โรคหัวใจคือผลของกรรมที่ไปยิงนกเขานั่นเอง It is more or less here. He had shot the bird on his chest. So now he has a coronary i n f a r c เ i า n This. If we h e l อ him on the shoulder, at the a ว e of 20, help อ i m on the shoulder. t h e s t of the cow. กาไรใครก่อก็จิตใจเป็นทูกก่อขึ้นทำดีก็เรียกว่ากำดีทำเช่วเขาเรียกว่ากรไรชื่วอยู่ที่ใจความดีความชั่วไม่ได้อยู่ที่อินฟ้าอากาศอยู่ที่กับใจมูตอแบติสต์ on the air earth on our heart <laughs> uh, and the heart this is the result เราไปดักเบตตาไร ว่า ไ, ไห้กินเบ็ดลงมาทีนท่นี่เกิเดี๋ยวนี้โลกสงคดีเป็นนี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็เอาสายยางมายักใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ก็อาวุธของการใส่เบ็ดนั่นเองไอ้พิชิตที่อยู่โตตีนเีแฉะไอ้กอนโสร่ดือดๆพุดเดิแกตโต๊กโควิดหกสิสองมาดูดีก้อนโสร่ตีนก้อนโสร การสกรปกในร่างกายมีเราจึงอาบน้ำการสกรปกในจิตใจมีเราจึงปฏิบัติศีลธรรมขอเดือดีบีเทกบาลเอ่อไม่เดอดีโซบีแอปูดูคูนแอนด์สตารดีบิดจเข้าโลภโกรธหลงมีอยู่การปฏิบัติเพื่อโรภโกรธหลงจึงปฏิเสธไม่ได้โลบะกรีสกรีสโฮสตเฮดแอนด์อเวอร์ชัน เอ่อหลงดล usion so we have to destroy it so we have to practice meditation and study b u d d h i s ถ้ากิเลสไม่มีโรคเกิดก็ไม่มีถ้าทําลายกิเลสได้แล้วเกิดก็ไม่มีเหมือนกต้นมะม่วงถ้าทําลายผลของมันแล้วมันก็ไม่เกิดนะถ้าทําลายเม็ดของมันแล้ว ญี่ป า, ายันยหาสุนา่นของทุกข์พราพาไไมานดัง น, น, น, นั้ น, รนเนราตยองทความสุขที่สุดเมมท่าที่มะทำได้ ทุกเกิดแส่ใจทัพย บ, บริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นสินถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อานาจอันนีจังเกิดขึ้นแล้วก็แปร่รลนะแต่สลายอย่างน ร, รหันต์ the person who is going to the n i b a n a the person who get the worship say he say that they are n o happy in the world so they go to the n i b a n a and he say about the happy of the layman happy from h a v i n money Happy, happy from using the money. Happy from doing light job. In the happy of the layman. n o n l d i n o i n e n a n d t o e d it's i n a s e s s t a e n o t d i n e n g l i s n t a e n n i t e d s t a t e s i n a นัอ yeah. ีกเดกอีฟาว่ไหม่ร์บบทุกโลกถูกไมารณถ้าเราโกรธหลงมีอยู่ความไม่โราไม่โกรธไม่หลงก็ไม่ควรปฏิเสธ ถ้า the the the uh, so ท้าเกิดทุกแก่ท้าเก็บทุกตายไม่อยู่สุข ท, ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บ ไม่ตายก็ไม่ควรปฏิเสธลนี่ยถ้าจะ spring from birth spring from age spring from date so it should not refuse the value ดิบางสุขไห ม, มเรารักชีวิตเราขนาดไหนเขาก็รักชีวิตเขาก็ขนาดนั้น เหตุนั้นจึงไม่ควรยินยันว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์ถ้ามีผู้มาฆ่าค่าเราไปสวรรค์เราจะเอาไหมเราก็ไม่เอาใช่ไหมที่ถือกันว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์นั่นพูดเข้าข้างตัวใช่ไหมแต่เขามาฆ่าตัวไปสวรรค์เราก็ไม่เอาใช่ไหม We do n t believe that killing is go to the heaven. คนเรารักชีวิตเป็นสัตวที่หนึ่งถ้างูเลื่อยเข้ามานี่ไม่ดึงแขนกันวิ่งก่อนไหมใช่ไหมถ้างูตัวหนึ่งเลื่อยเข้ามานี่ไม่ได้ดึงแขนกันออกไปก่อนนัเพราะรักตนเร่งกว่าผู้อื่นใช่ไหมเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้จึงไม่ควรทําชีวิตผู้อื่นให้ตาย All ร f the love in, the, in our lives. เรารักเมียของเราเป็นสั้นที่หนึ่งเหตุนั้นจึงไม่ควรไปร่วงละเมิดเมียเขาใช่ไหมเรารักสิ่งของของเรา เหตุนั้นเราจึงไม่ควรไปเบียดเบียนสิ่งของของผู้อื่นใช่ไหมเรารักความจริงเหตุนั้นเราจึงไม่โกหกพกลมผู้อื่นใช่ไหมเพราะเสียเวลาทั้งผู้พูดเสียเวลาทั้งผู้ปฏิบัติเนา We love the truth so we should abstain from false speech. ถูกไรมถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ค่าสัตว์ไม่รักสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกลามไม่ดื่มสุราชาวโลกก็นอนหลับดีไม่สะดุ้งผวัวเพราะไม่มีเรียนอยู่รอบข้างใช่ไหมทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเครื่องอาวุธวุตถุพันโรคราฆาตพันกันก็ไม่มีใช่ไหมนะ่ มีแอฟเฟน from killing มีแอฟเฟน from s e a l i n g แอฟเฟน from fraudy แอฟเฟน from s e x u a l conduct แอฟเฟน from split taking so we have happy or often we have happy and sleep all the night without aware of the danger of the คำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนคนทุกชั้นวรรณะใครเอาไปใช้มันก็ไม่ผิด พราะม่เข้าข้างตัวเพราะไม่เข้าข้างพักของตัวเข้าข้างทำเป็นธรรมมาเทปไตยคําสอนพุทธศาสนาะไม่ใช่โลกาเทปไตยไม่ใช่ประชาเทปไตยไม่ใช่อัตตาเทปไตยแคลกับช่างไม่จะเก่งสักเพียงไหนก็ทิ้งดิ่งไม่ได้ต้องเอาดิ่งมาตั้งเสา อ, อย่างนี้ก็ต้องเอาดิ่งมาสูงต่าทางไหนก็เอาระดับน้า ม, มาคําสอนพุทธศาสนาก็อย่างนั้นเนาะ Word of i x t a o r d h a i t i s t o r or of a s t of human, we can use all or his w o p His w o r d is not democracy. his w o r do not for uh, for the poor. p o for all. o is for all. Not for one person. The e s s o n หนักไปในทางวัตถุนิยมใช่ไหมใครมีวัตวัตถุนิยมมากก็คนนั้นต้องชนะหมู่อันนี้มันไม่เป็นจริงมันไม่เป็นธรรมเพราะไม่เอาดิงเป็นธรรมชาโรกถือว่าประชาปชนก็คือประชาชนที่เป็นเงินใช่ไหมยินดีเ y อร์ l อพึ่งพึ่ n อ่อนเดอร์แมทเนียลลิซม์นอ l ฟอออลนอตฟอวันนั่นคือเพื่อนทุกแห่งมัน ที่นี่ ส, สั้งสั์สูงยังมีจะให้ภาคสอบดม C หรืยภาคเห็นอนนี้จังความไม่เที่ยงขณะหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพโลกเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ออ E C อันนี้จต่า the instability อนนีจตา so we see through the world unstable or of the world is unstable อนนีจตา in v a r y t e s คำพูดแต่ละบัดระบาทพูดขึ้นแล้วกลว็ล่วงไปล่วงไปคืออันนี้จังอันไม่เที่ยงอันละเอียดใช่ไหมเดี๋ยวนนี้เจตานอันเสบิลเดี๋ยวไปอันเสไลฟ์เอาไว้ที่เกิดและสิ้นเชียร์ไล่เสียงเกิดและสิ้นเชียร์อันนี้เจตานอันเสบิลเราหลงอยู่นี่มีอยู่สี่ข้อหลงสักคนร่าง ก, กายว่าเป็นของเที่ยง หลงสักกลนร่างกายว่าเป็นของสุขหลงสกลนร่างกายนังหุ่งอยู่ได้รอบว่าเป็นของตัวตนเอาจริงๆจังๆจนถอนไม่ได้คายไม่ออกหลงนังหุ่งอยู่ได้รอบว่าเป็นของสวยของงามใช่ไหม4 kind of human delusion Think that this body is beauty It is beauty but w t i s beauty Think that this body is h a p p y it is not h a p p y Think that this body is stable, it is not stable. ป่าหูนมูกิกายใจน่าใส่ชื่อให้มันมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดเอาใส่เชื่อให้มันมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัด เราใส่ชื่อให้มันมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดเราใส่ชื่อให้มันมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดเราใส่ชื่อให้มันมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดไม่น้ำำํำซ้ำใจไม่มีใครใส่ชื่อให้ตนก็มาใส่ชื่อตนเองว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใช่ไหมเกียร์ไอ้นูนโสดเมาดเดือดหักแอนไมล์มีดูดมียานเอวิต It do not say yes. I am the heart. I am the eye. I am the ear. I am the nose. But our mind or our heart is named. It no no one name the heart, but the heart named itself. i s h a r m So happy or suffering is on the heart. Adit, take long flight. Is the g r o u take long i o อนาคตที่ยังไม่ถึงคือกองทุกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกที่กำลังเป็นอยู่ถูกไหมนี่ The past is the m a t of suffering is past The future is the m a t of suffering is going to happen And now t e we depend on the inbreed and outbreed โลกคือหมูสัตว์ความแก่เจ็บตายเข้าไปใกล้ามายังยืน โลกคือหมูสัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่ในเรื่องตายก็ต้องตายกันหมดไม่มีใครเป็นใหญ่กันในส่วนนี้โลกคือหมูสัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิม่มเป็นท่าแหกกิเลสใช่ไหม This world is the mass of animals that have suffering, have hungry, have insufficiency all the time. This world. สวัสดีปีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าปีกายนี่ใช่ไหมแฮปปี้นีเยาดาวกิบยาคว e r t o d ส์เดนอะไรนะทีนี้เนี่ยเดียวมิตอมโพ r e l ลกเจอเก่ยเกับดิมาฝายนี่ไหมจำเนี่ยเโมยยังจอด อันนี้นเขาบอกอย่างตัวนี้นนมึหมพระธอจมโอทั้งข่อพระธอโทั้งขอพระธอจมโอทั้งข่ออ๋อมีใครมีีแค่ไขอบคุณดีใจ ท้ามันแล้วเฮ้าเฮ้าเฮ้เฮาหอดจั๊บจับข้อประเทศอีกใช่หรอเออจับหัวใจให้ถึงบริษัระธรรมประสงค์นั่นเองจับหัวก็จับหัวใจให้ถึงบริทพรธรรมประสงค์นั่นเองได้จับหัวเป็นวุคคาราทิษฐานไอ้จะแค่ก็จับใจให้ถึงริษัทระธรรมประสงค์เองอเป่าหัวก็คือเป่าใจให้ถึงบริทพรธรรมประสงค์นั่นเองรน้ำมันก็คือรถจิดรดใจให้ถึงุริระธรรมประสงค์นั่นเอง ผูกแขนก็คือผูกขิดผูกใจให้ถึงเพราะพระธรมประงนั่นเองเหอบานวัดเมา ล, าลูกเขาพืชพืชก็วรว ม, าาวมรไม่บาดแล้วใซื้อให้เือดับอยู่จะให้คแค่แคเขาตายาไม่้ตายแต่ว่าแต่ว่าเรแ่แต่ว่ามันว่า้เาติด่ากไว้ตอนนี้ก็เปิดทางกรถแ้าเราติดทางนี่เราบาด ก็ไม่หวาเพราะเราไม่ปิดเราปิดไม่ให้มันเข้ามากัดเราไม่อยากจะเป็นเวรเวทไทยกับมันปล่อยให้เขาไปนะการฆ่าสัตว์หนึ่งรู้จักว่าสัตว์มีชีวิตสองพยายามฆ่าสัตว์สามฆ่าสัตว์นั่นตายตามความประสงค์มีองค์สามถ้าพูดอยากให้เข้าใจง่ายเ้าเราไม่เกตนาจะฆ่ามันแต่มันตาย เราก็ไม่บาปแต่ว่าบาปบ้างแต่ว่าบาปมากแต่ว่าบ้างแต่เขาก็ไมยกเว้นมันก็ตามมาเหมือนกัน <c oughs> ถ้ามีภบมันก็ตามมาถึงถ้าเราเข้าสู่พระนิพานไปแล้วมันก็ตามไม่ถึง พอเราออกนอกประเทศแล้วเวรเฮลิว เ, ลเรลวรไม่ยอมไม่สนองเวรมีวิธีงดเว้นไม่ทำอีกต่อไ ป, ข อ, ข, ปอของเก่ามันก็ตามมาถึงถ้ามันเราเข้าสู่พระธพรมแล้วมันก็ไม่ตามมาถึง <c oughs> มันก็ตามมาถึงมันก็ตามมาถึง ตามอยู่อืมนะครับทำด้ยกันตัดต้นเสาสัตัดต้นเสาแล้วก็ต่อเสาปูนตัดต้นเสาต่อเสาปูนค่ะมันขึ้นตามเสาเนี่ย่านป่านย่มบเสาผมติดติดนอกอกี ไปจนมุมเองว่ากันอั น, นี้เดี๋ยวนี้มฮะแล้วก็มีโอบา ย, ยแล้วก็บ้าบ้า <c oughs> แล้วก็บ้าบ้า <c oughs> แล้วเอาตัวรอดแล้วก็พยายมก็เอาตัวรอดนั่นเองไม่ทําแต่ว่ายินดีกับเขาทําด้วยก็ไปเป็นพยายมทับจริงบ้างบอก ง่ามยางเอาไว้กับขาก่าวง่ามนั่งเอาไว้กับร่มให้ใจคอง่ามนั่นเอาไว้กับร่มให้ใจคอรับข้าพุทธโตง่ามสิรับมาสิรัปจะนอนกับวายพุทธโทถมม่สังโกในผ้านั่งนอนก็บตำนดล้มให้ใจคอออกพร้อมกับพุทธโตรับขะรับข้ากับง่ามเดินยงกรมก็เดิน พุทขาขวากับโท้าขา่า ย, ย่ำเดินนุกรมย่ำเดินลงไปร่มกันเ่เดินตงไปร่มกันพุทขาขวากับเท้าขา่าย่ำดอมกันวก่าย่ำ่ำืนมากเท่าเดินพุดธขาขวากับโท้าขา่าย่ำมันเป็นเครื่องรู้ของจิตของใจจิตใจว่ามัเครื่องู้มันห่อนเือวาวเหียขาดครืองนุนปเปีวไปตามร่ม ร่มพดไปก็เปรี้วยวไปเพื่อวอาเสียข่าวเพื่อนุนเกี่ยวไฟสามร่มจังมาหาอบายให้คิตให้ใจนี่เครื่องดูกับเจ้าของมันจังพรบ่ห่อนหลายกันใจยุกับตัวห้องเฮ้ามันกั บ, บ่ห่อนหลายพุทธช่พุทธช่พุทธช่อยุกับผูรูเนี่ยถ้ม้อก็บส่องไฟถึงผู้รู้จังคอกปฏิบัติผู้รู้ยังไนนี่น ยามโมไม่เว้นไม่ไพ่ไหนนอนรับกั้งกันไรอไปเรื่อยกับพระวานาพุทโธเพาเป็นอันตรายถ้าโมทั้งขก็ยันตอกันแหนละที่นี่ให้พ่อนอนนี่ น, นอนโออยพระพาลีวะาปราเปริโพเลนติาสลามเดวเมวะอิโตชินังเพตานังงุกกะปติทิชิสังปุชิสังกุมังทีปเมว่าสนิชัตุสัจเจปุรันตุสังกปา จันโทปนาศโสยะธาปะนิโสตระโสยะธาสัพพีิโยยะวัชะสัพโรโคนะกัตมัเตบอว่าต่วนชราโยสุกิสีคาโยโภควะอภิวาเทงศีนิจานิจังวุทาปิจายโรสตาโรธรมาวัจจันติอายวันโนสุขังผะรังเป็นุกทุกขส่วนอ่ายยทุกเมือวบ่มีปมาณเนอใม่เพี้ยนตีม่เพียนตาไม่ียนตาสูงเพี้ยนฝ้าให้เพียฝ้าเขาสู้เขาพานทุกขันทุกคน โลกหัวใจอนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่โลกไปนะสตีพว ก, กจีนเขาเจะท่านร้ายท่านจะว่าาสะออด น, นะสันก็เม่นนเด้เลยสะออดทรัพย์เศรษฐีนะสั่นแล้วครับพวกแซ่ห้าเขาประเทศด้วยสัน่น พวกกินใครเจ้าก ah ินหลาย่าน kind of ah ิหลายมันเกษตระกิยยอะแล้เจ้าวัดใ่ตกับสีขาวใาเจ้าอยู่วัดดีแล้วร์สเจ้ากินาหลายเกษะกียบยังาเจ้าเลยใครจะเห็นผู้ใดมาเฮ็ด <like วัดใครสั่งทั้งนทั้งผนทั้งดอนผืกิมไก่หัหัจากหัวดังติเงียบเงียบวันหน่กิมไก่กิมกก่กับวัดกินวัเนึะนีครับ ถครเราเลาไม่ได้ออกอะไรแหงดีว่าท่านพวกกลีมาออกไปเสียตะเคียนกันกนยนข้าวเก่านเวิดจว่าห <laughs> มดแดงเขาบ่วงนหหมดแดงเสาบวงือ <laughs> น, น, น, นบอ <laughs> จะขอเข้าไปกินเวิดบัวงห <laughs> มดแดงไปสจำปองเข <laughs> าม่ชอบเกลียดแต่เคียวทังนั้นเจ้าแจ่บแต่เคียวมนบอกคาบกรด รเจ้ารอสังเกตคิดหน่อยน่าไปพ ร, ะราะข้าเจ้าคนหลายเนี่ยคำว่าข้าเจ้าซื้อศาสนาพุทธมักับโรกเนี่ยเพราท่านข้าเจ้าหรอกบอกมันนอาว่าซื้อศาสนพาพุทธมีเยอะไปเยอะ ถือศาสนาพุทธเป็นเรื่องเงินมาถือมหาอำนาจ ม, มันพรท่านขราเจ้าเราเป็นคนดีข้ะเจ้าถือศาสนาพุทธมากกว่าท่านเพราะมันคนมันมนคน ห, หน่อยๆค้นหลายเทยเคนประเทศดนถามว่าเป็นขงข้ามกับประเทศได้เขางา่ายเหียปร่เท ต, ตายรอ <laughs> ขา เนืออืมง้างเยียบออเทอซี่ก็ตา ย, ตายอตหอกกลองข้าวดเหือเขาเหียบเอื้อนถิมว่าเป็นเจ้าเนี่ยแลพ่เขาจับขึงไว้ยืนเลยขาเจ้าว่าห่างจากข้าเจ้าว่ า, ขาเขาาจับันหนึ่งเนี่ยตกใจเขาเหยียบเอเชี่ยเลยข้าเจาเ้า เ, จาเป็นเจา้าเนี่ยถือว่ารูราพาเปียขาเจา้าครับขึงไว้ขึ้นไว้ยืน เขาไปจิงกว่าต้องกันว่าหน้าเน่ยเพอกไ่พอก้าวพอกันพวกคำเมียเงี่ยในโรกเนี่ยพวกเอเชียพ่กใครเป็นอย่างชุกไม่สุรดีกอมอฝันว่าใครบุนไหวเหมือนเขาหยู่เองเขาหยเอียงบไมนไหว ท่านงคือได้อทฤษฎีตนน้จสร้างมีเหตุผลนนี้กสร้างผศาสร์นท่านของคือท่สอนหลวงพ่อเจ้ามันมันคน่อนตัวทานสอนหลวงอเจ้าันชัวร์นมอมน้จพเจ้าจเก่เาหรอคนว่าลบคนชงคนหาคะแนน่ า, นาชีวิดีสันคึนิดจินดากดีเพืเ่อาว่ะ วาันสิ่งมันสิงมน่มา้อันีกัวสิ่ยงว่าทามันกรรมเมื่อนาวัตถโลกวัดโลกเป็นไปตามกรรมของใครความันผู้กรรมดีก็เกิดที่ดีผู้กรรมําก็เกิดที่รํานั่นยังงั้นเหอว่าไม่ควรจะตายเขาบอก ท่าดีก็ท่าหายใจท่ั่วก็ท่าหายใจถ้าสางดีพอแล้วดีก็สร้างพอแล้วชั่วก็สร้างพอแล้วชั่วก็เว้นพอแล้วก็เข้าสู่ปฏิภาณไปสักถ้าดีก็ยังสร้างให้พอชั่วก็ยังยึดละไม่พอก็ไปปฏิภาณไม่ได้ดีก็สร้างพอแล้ว ก็ละพอเลยพอเขอ้าสูออ่พนะ涅槃่อไปถ้าจิตใจยังไม่ถึงพระานจะหาสุขในโลกก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบไม่เห็นเลยทุกในโล ก, ท, กทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บ ท, ท, ท, ทุกตาย ชุปบาดสนามไม่ได้สมหวังทุบพรท่าจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจสุขไม่มีในโลกถ้าสุบมีในโลกพระละหันก็ข้ามโลกไปในได้สุบไม่มีในโลกเราเหตุนั้นพระละหันจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนข้ามความหลงของตนไปซนะัก ทุกในคราวาสทุกเกิดแต่ความมีทรัพทุกเกิดแต่ใจทรัพ บ, บริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนีิเป็นขินทุกเกิดแต่ทํางานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นกูจะได้อํานาจอนุจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแสดสลายไปทุกโขจินนาเป็นทุกมีทุกแล้วทุกขภพเรตาเป็นทุกมีทุกเป็นความกันเป็นเนว การจะทำให้พ้นทุกในวาระสงสารก็เพียงจะมีมาปรากฏแก่กพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายทุกขุปศักด์กปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อนายโลกนกเขานกกระทา ขเขาเทน้ำใส่กระบอกถอกน้ำใส่ตลาให้จากเพียงใดก็ตามกินเล้วก็เวียนกงอยู่ไม่ น, นอนใจในกองเลยมเมื่อได้ช่องกระบินปรื้หนีเลยไม่กลับมาอีกไม่เหมือนหมูหมูเขาล่อมาเขาหลอกมาให้เข้าข้อก็เข้าข้ออีกพวกเราเปรียบเหมือนน ก, กาจะทามีราบมียศมีสรรเสริญ จ, จากเพียงใดก็ตามไม่ไวใจในว่าจะสงสารเลย ผู้หวใจในวัดตาสงสารกับผู้ไหว้ใจในหลุมถ่านเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันหายใจเข้าไม่ออกก็บอกว่าตายหายใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายความกายมีเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นชีวิตก็มีความมีเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเหลือนอกนั้น เสียงบนกรรมอานนท์พิการความตายวันละกีครั้งน้อยครั้งพระเจ้าข้าเออเธอยังประมาทอยู่นะอานนท์ทุกลมหายใจเขาออกยิ่งดีอานนท์เอออานนท์เออ เมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะถ่าสอนความตายได้้ดวยเวทมนต์ ห, หรือด้วยทัพ <c oughs> สักกาเทตุงทรเนนว่าความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะถ่าสอนด้วยเวทมนต์ ห, หรือด้วยทรัพเหตุนั้นพวกเราที่เป็นบัณฑิตนับพรรษังอัตวัชโงภุดเททำไม่จะสังเทจะชีโรสัพทังมิเตสตผู้ใดประพฤติทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจสติ พวกนั้นรับโลกแล้วไปบันเทิงในสวนกำไดใครเกาก็จิตใจเป็นผู้เกอขึ้นผลของความดีความชั่วใครเป็นผู้รับก็จิตใจเป็นผู้รับทำดีแล้วก็ไหลเข้าสู่ใจเมื่อได้ต้อนเขา้าคอกยากเหมือนโคและกระบือทางชั่วแล้วก็ไหลเข้าสู่ใจเมื่อได้ต้อนเขา้าครอบยากเหมือนโคและกระบือ ผูจะรู้จักดีจักชั่วก็คือใจเ่านั้นไม่มีผู้อื่นมาจะจะแย่งมารู้จะยั่วจะแย่งรู้แย่งเห็นใจจะเป็นใจพึ่งของใจถ้าใจไม่เป็นคือพึ่งของใจจะให้ผีตัวไหนมาเป็นคือพึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีทาชั่วให้ตัวเอง นอกจากกายก็ไม่มีอันไดจะมีอิสระทาดีให้ใจนอกจากกายก็ไม่มีอะใดจะมีอิสระทำวัชุอให้ใ จ, กกใ จ, ด, ใใจดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำเลยตาหูจมูกกายมันก็ไม่รู้จักทำเพราะมันไม่ได้เป็นหัวหน้าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้น <c oughs> พุทธธรรมสงบนที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจของผู้เคารพบนถือดันเองผู้เคารพบนถือก็เอาใจเคารพบนถือผู้ไม่เคารพบนถือก็เอาใจเป็นผู้ไม่เคารพบนถือเมื่อนับถือได้วก็คุณของพุทธธรรมสงก็อยู่ที่ใจเนื้อขึ้นกราบแล้วก็กราบลงก็คือกาบใจของตนเองนั่นเองเพราะพุทธธรรมสงเอาไว้ทีนั้นผู้ถือผีก็ผีเลื่อมใสก็เลื่อมใสผีก็กราบลงก็กราบผีอยู่ที่ใจ เขาผีผ่า ก, กับเขาบอกว่าลุงปู่ลุงปู่ไล่ผีออกให้ด้วยลุงปู่ก็ตอบว่าไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากไกลผีไม่มีแกผู้ไม่ถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำเพราะเมียไม่มีแกผู้ยอมเป็นโดูดลุงปู่ก็บอกอย่างนั้นนี่ลองปู่ก็เหนื่อยได้เข้ามาให้โทษมากนับนั บ, นบแต่นานแล้วเลย นายก็ตานะเอเอตายก็ตายะนี่ใช่เอาในรถใด้ในร่องร่วนทุกขังไดเในร่องร่ ว, ร ว, รวอนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเกิดขึ้นแรกวก็แพรปพวนละแสกสลายไปมัทธนิยมออกมาจากอันใดมัทธนิยมก็ออกมาจากธาตุเดินน้ำไฟลม แต่ก็เจอลงไปใปนน้ำ ไ, ไปในน้ําฟลมเวมนกันรู้งคติออกมาจากอัะไรออกมาจากบาปบญคุณโทษเป็นยังเข้าจังอาบนา้ำมันชกกรกเป็นยังเข้าจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะว่าจิตใจมันชกกระโอันจิตใจมันชกกรกก็บเพราะจำเป็นต้องปฏิบัติศีลธรรมข้ร่างกายมันสะอาดเนี่ยก็บเพราะจำเป็นต้องอาบนา้า อันเดียวกันทั้งหมคันจิตใจไม่เมื่อคิดเด็อยู่การปฏิบัติบันเท่าคิดเด็กับปฏิเสธว่ไร่คันร่างกายสุขรกอยูการอาบน้ำเพื่อบรรเทาควาสุกปรกก็ปฏิเสธว่าไร่อันเดียวกันกาเกิดแก่เจ็บตายไม่อยู่มันเป็นทุกข์ การปฏิวัติเพื่อว่าห้ยมาเกิดมาแกมาเสีมาตายก็ปฏิเสธว่าอะรคือภายในผ้าถ้าโรคโปวดหลงมันไม่ยู่งจริงการจปฏิวัติแต่มันบรรเท่าโรคปวดหลงก็ปฏิเสธว่าใดขันเว้นไถ่ในวัาสงสารมันไม่ยู่งจริงการปฏิวัติร่างเว้นไท่ก็ปฏิเสธว่าใด ขันมื่อมันมีอยู่จริงๆการปฏิบัติเพื่อให้มันสว่างเดินไปมาได้ จ, ดจุดใต้จุดไส้กับปฏิเสธบ่ได้ขันโ ง, ง่มันมีมีอยู่จริงๆการปฏิบัติเพื่อให้มันฉลาดกับปฏิบัติกับปฏิเสธบ่ได้ขนันเทาหักเสียเท่า ย, ยู่จริงๆเทำไอยางพูดอดไมาขามาแกง การปฏิบัติเพื่อเอากขาจะแกงกู้อื่นกับปฏิเสธว่าใดเาหักซีเขาจังไรเพิ่กับหักซเพิ่จังสันเข้าหักของเข้าจังไรเพิก่กหักของเขาจังสัน้นเข้าหักหัวเมียบหยเต่าเขาจังไรเพิ่งกับักัวเมียบหยเตาเพิ่จังสันว่าคนจะพวงละเมิดเข้าชอบตั้งแต่คำที่เราเป็นชัดเป็นจริง มันควบตัวนั่น เ, เสียเวราทางภูเขาเสียเลเซเวราทางภูฟังกับปฏิเสธว่ไไรการวัดตัวเฮ่ากับปฏิเสธว่าไรที่ไงเท้าซอฟห์ถึงต่ค้นชุ่าคเาียอร่อยค้นสีดาเฮ่าซอฟา์การเว้นแจกเรากับปฏิเสธว่ไไรเอา้ายวบกินมันกับเล่าเนี่ยทำเป็นโล ก, กระบาคุ้มครองโรกสองอย่าง ความละอายตบาความกลัวตวบา่าเท่านั้นที่จะคุมของโลกได้ถ้าโลกอันยังอายตบาไม่มีความกลัวตวบา่าแล้วกฎหมายกหมาก็พักกดทัาวก็กกกตั้ไม่อยู่อู่ของทาให้นำคเนึงก็มาที่พึ้นทีองอาศัยต่คนชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ปทำในที่รับเห็นคิศจะมีกีห น, น้ากาเชื่อไปนในทางทิศเหนือโดยม่รู้ตัวจันใดคาสอนไดๆก็เป็นแรงขึ้นคำสอนคุกศักดิ์นในรูปตัวจันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก เทียในทางหรือซึ่งตัวให้คำนึงในหลายทางน้ำให้หนองครองบุญบางต่า ง, างๆเลยลงสู่มหาสนกระโดยไม่รู้ตัวจำใดคําสอนใดคนไหนลงสู่คําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉัน น, ใ น, ใ น, น, น, ฉ น, นั้นไม่ผู้อีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะในรู้ไั่ขึ้นอยู่กับผูเ้เชื่ออะไรม่เช่เป็นจริงอยู่ไม่มีการวันกลางคืนแลถ้าชาวโลกมีสินหา้ามาเลบูลแล้วนับแต่ผูดเรียงสา ม, มา ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเจ้าตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีโซ่ก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเข้านอนก็ไม่เสืดุมภาวะเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างนำคำสอนในพระเจ้าเนื้อคําสอนในโลกเลยงานจางกฎไม้คนหมูก็พักคทั่วขึ้นในโลกไม่มองดูคําสอนในพระศาสนามันก็ไปไม่รอด เช่นพวกที่บัญดาตกาบาปบุญคุณโทษนั้นมีมันก็ไปในรอดเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกระเสียงเป็นกรรมและผลของกรรมที่ทําแล้วมันจบกระเสียงเป็นมันตามไปจนชาติเข้าสู่คนลฟในทางดียวก็เหมือนกันในทางที่ออกเหมือนกันเหตุนั้นจริงเขาเล่าพระพุทธศาสนา เกิดมาเป็นคนกายง่ายพราะศาสตรก่อนเดยียดเหยียนสัตว์จะจับเกิดมาแล้วนี่ยังเพิ่กับมา่กี้มาโกนมาักจกจกคอออกไปเม่อมาไม่อิสระศาสตรก่อนพอเคยได้รักของเพ่อเกิดมานี่หัวเขาเอามายาไปซึ่งน้ำนี่เนี้ยเขาเอามางาดไปซึ่งน้านี่เราไม่เต่าเขาก็เพราเขาเขาออกไปทำามันไม่ดีไม่ได้เพราะพอจาตรก่อนเคยลวงละเมิดเขา เป็นเจ้าอย่างนั้นนะไม่ทางไหนไไก็ซื้อก็พ่นตุ่มพ่ น, นต่อมพ่นตุนมาตัวศาตร์ฟอนเ ห, หากินทั้งตัวก็ชอบเกิดมาเป็นว่าไม่เสียสิริคดมนุษย์แต่สาตร์อนเคยกินเราไม่มีสั่เล่องขึ้นนะฮะฝนของกลัม า, น, น, มมานจะเริมาเป็นพ่นว่าไว้เสียสริคดมนุษย์ออกจากมรรคมาแล้วออกจากวัตถุร ม, มาษลมา คำสอนพุทธเจ้อนนังไงกำไลใครเกาะต้งจิตใจต้องตั้วเกาะขึ้นนอกจากกายไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใ จ, จใจองเป็นเครื่อง่งของใจย้าวกายก็เป็นที่องพึ่งของใจจะใจหิ้วตอนไหนว่าเป็นเครื่อง่งของกายทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจไม่ให้ใจบวกอยู่ที่เปนฝ้าอากาศ ใจเอ๋ยเธอเคยได้ทำดีไหมถ้าใจเคยทาดีใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่เคยทําดีใจก็ตอบใจไม่ได้ใจจะโกหกใจก็โกหกไม่ได้นักผีโรเกล่ะหัวหน้าแล้ความรับไั่มีในโลกก็คือใจต้องมีความรับนั่นเองใจเรื่อใสายวุทธศาสตสัาใจก็รู้จักอยู่จะโกหกใจก็ไม่ได้ใจมนเรื่องสาใจก็รู้จักอยู่ไม่มีใารจะรู้จักเท่าใจ ใจมีคนเป็นอาหารแต่ก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ถ้าทำถูกก็มีคนเป็นอหารมหานต์ทำถูกบ่อยๆก็ไปบวกความถูกบ่อยๆอยู่ในใจทำดีบ่อยๆก็ความดีก็สูงขึ้นที่ใจทำชั่วบ่อยๆก็เกดือดร้อนอยู่ในที่ใจบ่อยๆไม่ได้เดือดร้อนในที่ริ้วฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจึงว่ากําไรใจก่อก็อคือใจเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าภายนอกก่ขอขึ้นคาสอนของพุทธศาสนาสอนใจ เหนียวนอนพราเธอก็นอนเองเราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นพระบรมศาลาเหนียวนะ้ำกระหายน้ำก็ดื่มเองเราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นจะทําแทนไม่ได้เหนอาหารก็าทานเองเราจะทานแทนไม่ได้เหตุนั้นเราเป็นเคารพทําถ้าทําำอะไรอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้เราเป็ัติดปากเราเป็นติดในะจ เห็นนั่นเราจึงเขาลับจำบุคคลผู้เกิดตระกูลสูงเป็นเพราะเหตุอะไรพระเจะข้ามแต่ชาติก่อนเขารับเวลามนาปูยาตาทั่วอ่อนน้อมไม่ตีตนสมุน่างผู้อื่นจึงได้เกิดตระกูลสูงบุคคลผู้เกิดตระกูลต่ำเพราะเหตุใดระ เ, เจะข้ามตรงกันข้ามบุคคลผู้มีผิวขาวเขาทํายังไง เขาจะให้ทานอะไรเขาก็าชอบแจกของขาวขาวเขาเกิดมาเขาเป็นตรงมีผิวขาวคนนี้ผิวดำข้ามก็ตรงกันข้ามคนผิว่ำรวยเกิดมาทำไมไม่ร่ำรวยเสมอกันเพราะเหตุใดพระเจ้าข่าเพราะเห็นว่าแต่ชาติก่อนไม่ค่อยจะบอที่จับชานเป็นคนเสนียวนี้เกิดมาเป็ น, ป น, ปนคนีทุกคนจน ผู้ที่มีอายุยืนนานปราจากโรคเพราะเหตุอะไรเพราะแต่ชาก่อนไม่ไระเบียบยันสัตว์เชี่ยนตีก็ไม่ได้ทําคนอายุยืนนานแต่ไม่โรคระเบียบเพราะเหตุอะไรเพราะใจ่ชาตก่อนไม่ค่อยจะ่ายค่าสัตว์ดอกแต่เชี่ยนตีเขาเหตุ น, นั้นจึงมีโรคมากแต่มีอายุยายืนคนที่มารยภาพง่ายก็ตรองกานข้าม คนที่เกิดมามีปัญญาฟังอะไรก็เข้าใจชัดเพราะเอะไรเพราะใจชาติก่อนไปมาหาสูชอบสนทนาธรรมะชอบฟังชอบจําเกิดมาจนเป็นคนมีปัญญาไปแล้วบ้าเอป็นชุกเป็นชุกเนาะขอโทษทั้งหมวทั้งครอกนะือา หาพ่ออันนอหน่หนอเพราะพ่ อ, พอ ห, า, หายบอกอะแฟนรน้อาอันนี้ก็ว่ า, ว, าว่านันนก่นวันหมดดีระบาดเนี่ยพระล่างห้มือแล้วสามเธอ บ่แม่เนียสันอาหารเน่้าล่างเชือหนึ่งขาขึ้นมาเทิงหรือาเข้าขไปล่างอีก เ, เข้ามานัน่งไงพระกีมเอาให้ อ, อ, อีกมันแตกทางใหนอตอนจินั่งนับพระกามตอนจะเข้านอนงซีทุ่มาุพระกามาร่างให้อีกตื่นมือเช้ามาจะนัพระกามแค่ออกให้อีกมันเละวานาทางไน เ, นยเลยว่าไข่เออเลยว่านาประปวดบ่มีอาหารข้ า, จาวจะกอนอาหารข้าว มันโกนทางนั้นมีไปฟันเดิมแล้วมาทห้นี่ยว่าได้ให้เนี่ยใส่ยักยักเหลี่ยมเนี่ย ท, ทั้งไปแล้วหาเหลี่ยมละโอ๊ไปซี้เลยมล ท, ทั้งๆทงั้ทงไตอะทั้งไตไปแล้วเหลี่ยมนึงฟันหม่เฮาว่าเือฟันพระพุทธเจ้าฟันพระพุทธเจ้านะข้างบนยี่สิบ ข้างล่างของพวกเข้าพูละสี่หนึ่งของพที่เจ้าขังบนยี่สิบข้างล่างยีเป็นสี่สิของพวกทเจ้าหลังคนก็บอเป็นห้องคือเข้านะเออหยาบดวหาบยักสบาา้เงียวยาบมันฝืนได้ห้อง น้มัขึ้นลุกซี่ชื่อหาเที่ยวหน้ามันแอนว่าใครรับปวนหน้มามันขึ้นรกบปวน ล, ลุกซีเชื่อหาเที่ยวลุกลก็สสาะโกคหัวใจหัใจตีบท่งเลือนว่าท่านโรคสาเลือดอีสมาท่านว่าฟาวัชสมาทานนน่าน่นอดขาดขึ้นในโรงพยาบาโลโรคท้องน้าดีเป็นนิวอีก แล้วก็โลกพุ่มแพ่อีกแล้วก็โลกท้องผูกอีกโลกกระเพอะอาหารอีกมันเช็ดแปดโรคแปดตลกซาร่ามันใส่หัวจักขเขแล้วก็ขอไปน้ำมันไปน้ำาแาไปน้ำาแาสั่า ชีวิตของหลวงปู่นี่สวหันใ่เขาใจออกเพื่เหลือกำลังเชี่ยวบุญเชี่ยกรมเมื่อคือชี้ของมัวโตเนี่ชีตของมัวโตวมันดังนมโยผันมีแนวหวังไา้แนวเ้ามันแปดเสียกลัวแรงกับ่นนนนบันมีแนวหวังเลยเนมุมงลรเมื่อโตยังมีแนวตัวจับของไา้แนวอยู่เขามัมีแนวตัวจัของายกวันเลยมัดเวลาเหรอ นอนก็ได้บังคับนอนรับก็ได้บังคับรับวันหนึ่งเครื่งหนึ่งรับพ่อสามชองอศ์วันหนึ่งเครื่งหนึ่งบวกกันเขาตาใส่พลออยู่สั่ไหนยินตะโบราณพูนมาแค่ในพูเทเเถาเถาเพื่อนแคได้ม้าตัวหนึ่งราวสัน่าว่ารับเออเฮ อ, อยู่หันราวสันเ ข, <laughs> <laughs> ขาเขาว่าแบบว่าเขารบวันเนาะ เกิดมาได้อันนันต่างจื่อจิวนี่จะไลรองเลี้ยวรองห่องวันแกวันเจ็บวั น, น, นายอันนี้เป็นของจริงแท้อันนี้มนี่มนี่มันบเมนของใหม่ของเก่าโม่เฮาจะเคยท่องเที่ยวมากเ้ยถ้ามาเห็นเข้ข่าใจม่ของใหม่บ่ของเก่าจะโม่เฮาเคยท่องเที่ยวมากอันพูดแต่ฟอจะแก่วันี้ก็ไรพระพุทธเจ้าพระสอนมา นั่นตาห่ะเขา เ, าเก็บแห่นศาสตรายศชัวกับนั่งไวพผู้พุทเจ้าซีพระองค์บ่าหาพระองค์บ่าว่าให้อันตรธานไปเก็บแผนศาสตรายศท่านล่ะว่าให้อันตรธานไปไงก็ซีมหาสมุทรแต่ละคนละคนขนันพูดไงวาอันตรธานาหายไปจะดูขเขาโม่ห่อเก็บแผ่ศาสตร์แล้วคอหวุนไปมือเ่ย ตัวกับหนึ่งกับหนึ่งก็มีพระพุทธิเก่าที่พระองหาพาระองค์บาไงกว่าพวกเขาเห็มอะไรอม า, าเห็นแล้สั่นจึงเข้าใจว่าไอ้วัฏจรสงสารเนี่ยเนของใหมของเก่าที่เฮาเคยมาเปิดแก้เจ็บตายแลย้วผู้ใดเห็นทาในวัตจรสงสารเนี่ยผู้นั้สั่งบา ร, รมีแก้กล่ามาแล้วคนะ มันก็ซักปัญญาวิเศษเป็นเหตุแห่เบื่อหน่ายลกถ้าน้อยขอให้กายท่านร้ายขอให้เว่นยนาติมาท่องเที่ยวในวันตายรงสามอีกเลยไม่อยางไนก็มาพอจะแก้จะเก็บแต่ตายแต่หิวแต่อยากไลยใครพอดมาหนิใค พ, พ, พ่อน้อเออใคพ่อเอ๊ะบุตรหลบนีสิเรามเอผัดชนะดิน สีมือหอมสีมือขอ้างเดียวกันครับบัตเชล้ า, านพถอะล่ะศาสนาพระกูสันโ ท, ท่เลยัววไกลบินจบในบาทหนึ่ ง, นงัน่านี่จะป่ากขาูสันโธ่คนนันี่ยอันของมันนี่ยยุ ก, กุดยันไรเ่ะเอาไปไว้กุดผนว่าจะเอาไ้กุดนี่เขื่อนถ่วยเครื่อ ง, องหายอยังของออมอมเอีมยมใช้น้ำมวกน้ำมันนนี่อยู่ นี่อันนึ่งยังดีได้แค่ไหนตั้งโกยู่ดีตั้งโกยู่บันนี้มันนั่งตั้งฝันสีนั่งตั้งนงั่งตั้งนั่งตั้งขีเห็นแหะกับสีคนหนมันน้กเบีจักนี่ตั้งขีเห็นได้เยนีอันนึ่งออกไปสักไปเบื่งเยเขาขุดได้เน้ยูละตงอเมตนึงได้เนียนี่ี่ยี่บนางจีนเขาอ่าออกไปก็าการระเบิดเนยเขาขุดได้แล้วมันกินยังังถลมมันตั้งนั่งเอาใจเห็นเนี่ย ต้งนงั่งฉีเห็้ยนเท่านี่คนฉีนั่งตีเล็บอยู่กับพระจักเข้าซะ เ, เกี่ยวหรื <c oughs> อคนสีนั่งคนฉีค้นนํามันย่างไปเฮ็ดน้ามันย่างข า, ขายกับพรจักรเฮ็ดกระบอกตาอย่กั บ, บพจักรฮะ <c oughs> นีคนนะนี่คนนะนีญญ่คนนะนี่คนน ทั้งชอนเขาแม่นเขานี่ะนี่ไป บ, บ้างมั่นนี่ยไ awesome. บวมั่นเนี่ยนี่นี่เนี่ยวันนี้วัล่างตีนนี่ยปลพฟกับปาพิกาาด้รอของโบราณด้หรือคุดได้ได้หรือ้หไงล่างตีนวันนี้ตะขาม่านเนี่ยเห็นอันนี้จังคณะชิดนั่นจะเห็นกรอบหนึ่งละโลกจ่ไปด้วยอันนี้จังเห็นทุกขณะชิดนั่นจะเห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไปด้วยกองทุก เห็นดินน้ำไฟล่มขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งพระโลกเต็มไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมนคว้วโมหมันวัฏเทียงคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งพระโลกเต็มไปด้วยขั้วโม่หมันวัฏเทียงเห็นโลกโกดหลงคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งพระโลกเต็มไปด้วยโลกโกดหลงเหมนขั้วปาถนาโม่ใดสมหวังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งพระโลกทั้งหลายปาถนาโม่ใดสมหวังพูตายไปเมื่อหนึ่งตายข้างอ่านวัด ตายข้าครอบสมหวังวัดนีพระหันนะมมกับพวกหาครอบชุ่มในโลกมาเห็นพระละหันได้ น, นายครอมหลงจากของมาเ ล, เาาเาลนะา ย, ข ย, ย, ลยเข่าสู้พระนภานจ้ไอ้คอจะเอาละเนาะถ้าน่อยค่อยไปถ้าหลายค่อยเห็นเห็ดเื่องจีในสูงเรื่องตาเห็ดเรื่องตาสูงเรื่องฝ้าเห็ดเืองฝ้ายเขาสู้พระนภาชันจ นะชาววัน่วาหาผหาภริันทาติางอ่ัตันังตางกบกัิฉัทีางกุรกเมสมัยชาติที่กับเพื่อนเพื่อนกับป้าจันโทกันแล้วโซยาข้ามในโซยาโยาข้าพี่ที่วนแ้โอเคะ่านมาเตะพระวจนะลวสิทธิ์เสียคาโยโภตอภิวาสังเสียทธิจะนิจังวิชาปัญญายโนจารุธรรมวัชชันติอายุวันโนชุคันะารไมเห็นพระพุทธศาสะาอันทรงพระคุณข้ามันอยูประมาณ แล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่เพิ่นอยู่กับูรู้และไม่รู้ไม่เพิ่นอยู่กับผูเชื่อแล้วไม่เชื่อและก็เหนือหลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วยว่าเป็นดังนี้บรรดาท่านทั้งหลายทุกชนชาติทีานนาท่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีเพื่อทั้งไตรโลกะย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญแม่วารละพุทธศาสนาของขาาา้าพเจ้าจยิ่งขึ้นไปสาดเท่าเข้าสูาส่พ์ข้าในพานอยู่ทุกมาไม่มีประมาณรูปาริเออร์เออพระเจ้ทั้งหมดนะครั ตัวเท่าตัวเท่าตัวตัวเท่าตัวเท่าตัวัเ่ัเทาัะถ้าบาบกลับไปบวกบับเยอะใจถ้าหมุนยเหมือแล้วเล็กมือแลวนยใจกระนับมือสูงเขินน่าช่างดีถ้าบเหมือแล้วเล็กมือแลยใจกระนั้งมือชัวร่งถ้าดีกับถ้าหายใจถ้าชัวกับถ้าหายใจเพราะใจเป็นผู้ทํำ พระพุทธเามาสอนเรื่องใจฮะไม่ไดยบันอือแต่ถือผีผีก็ยกหัวใจฮะถือพระพุทธเจามาสอนกับถือคนพ่อคนแม่กับท่านผู้มีพนอันเดียวกันถ้าพักพุ่นไหลถึงสูพุ่นพระพุทธะธ้ามาสอนเงินพุ่นพ่อคุ่นแม่ก็ไหลถึงคุณนพระพุทธเจ้ามาสอนวัดกงเกืนกันคุนท่านผู้มีพุ่นก็คือกันุณพระพุทธเจ้ามะสงน์ุ่นท่านผู้มีพุ่นไหลรวมกัน เกินไปจนถึงพระนิพพานสั่พะโทษไหลหัวมันกรลงไปจนถึงมหาวิสี น, นกรกอิจจ๋พระพุทธเจ้าจงมีอิสระทาดีจงทงกิจให้บันเทิงในการราช่วยทาดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายพระพุทธเจ้าคนน่าจงเป็นผู้ใจถึงในขั้งทำดีแล่ผู้เป็นผู้ใจเถิงในขั้งทำชั่ว ลงมันผู้มีเป็นผู้มีอิสระในทาธรรมดีย่ามีอิสระในทาธรรมทัวจงสิลาธรรโดยข้อจำเป็นจำเป็นศิลาธรรดีว่จ้าสูถือว่าจำเป็นศิลาทัพทัววนวัครับพระพุทธเจ้าจำเป็นแล้วศิลาธรรดีญาติถือว่าจำเป็นสิลาทัพทัววนวังญาตมีอิสระทังทัพทัวหายมีอิสระทางท่าดีวนวัไม่ใเป็นที่เพิงของส่วนทำพทัวเราเป็นด้วยทัพทัวเราก็เป็นที่เด่นเด่นใจตุนท่ดีก็เป็นที่ เป็นที่สบายเองคิดใจเขาบอกมันหอหง่ายเราเขาไติดเจ้าบขาบอกอยากเข้าห้องเราพระสายมานคาว่าใด้พีมากถอดใจไปบนอื่นพระพว่าเ้าพู้โชคพูโชไปหายมันจะมาเป็นอันตราย